ไม่มีกังวลการปล่อยวางตัวบงการการอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นและการยอมรับความไม่แน่นอนของอนาคตของเราจะช่วยปลดปล่อยเราจากเรือนจำแห่งความกลัวเราจะสามารถสนองตอบต่อสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตเรา ได้โดยสติปัญญาของเราเองซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมและช่วยเราให้รอดพ้นอย่างปลอดภัยจากสถานการณ์ที่น่าลำบากใจหลายๆกรณีอาตมา ก, กำลังยืนเข้าคิวแถวหนึ่งในจำนวนหกแถวตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินเมืองเพิร์ทขากลับจากการเดินทางไปสีลังกา ผ่านประเทศสิงคโปร์คิว ท, ทั้งหลายเคลื่อนไปอย่างช้าๆแสดงว่าเจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่สุลกากรผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ประตูด้านข้างของล บ, บีมีสุนัขดมกลิ่นตัวเล็กๆที่ถูกฝึกให้ค้นหายาเสพติดมาด้วยผู้เดินทางขาเข้าทั้งหลายยิ้มอย่างหวัดหวั่นเมื่อเจ้าสุนัข เดินตรดขึ้นลงแต่และแถวแม้ว่าเขาทั้งหลายไม่ได้ขนยาเสพติดแต่เราจะสังเกตเห็น้าการผ่อนคลายจากความตึงเครียดหลังจากที่เจ้าหมาดมเขาแล้วก็ถูกพาไปหาผู้อื่นต่อเมื่อเจ้าหมาตัวเล็กน่ารักนั้นมาถึงตัวอาตมาและเริ่มดมมันหยุดนิ่ง ฝังจมูกเล็กๆของมันลงจีวรของอาตมาแล้วก็กระติกหางอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่สุลกากรคนนั้นต้องกระตุกสายจูงดึงมันไปคนเดินทางที่อยู่เบื้องหน้าอาตมาซึ่งก่อนหน้านี้ยังดูเป็นมิตรกับอาตมาดีบัดนี้ได้ขยบหางจากอาตมาออกไป และอาตมาก็ยังแน่ใจได้ว่าคนคู่ที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ถอยหลังให้ห่างอาตมาออกไปด้วยหลังจากนั้นห้านาทีอาตมาขยับเข้าใกล้เคาน์เตอร์มากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำหมาออกมาดมกลิ่นอีกรอบเจ้าหมานั้นเดินขึ้นลงตลอดทุกแถวดมคนเดินผ่านทุกคน คนละนิดแล้วก็เคลื่อนต่อไปเมื่อมาถึงอาตมามันก็หยุดอีกแล้วมันก็มุดหัวของมันเข้ามาในจีวร อ, อาตมาส่วนหางก็กัดไกวหน้าดูเจ้าหน้าที่สุลกากรต้องออกแรงดึงมันออกไปอีกอาตมารู้สึกว่าทุกๆสายตาจับจ้องที่อาตมาณจุดนี้แม้ว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มเป็นกังวล แต่อาตมานะ่ะรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่ถ้าอาตมาจะต้องเข้าคุคกแล้วก็อืมอาตมามีเพื่อนอยู่ในนั้นตั้งหลายคนและอาหารในคุกก็ดีอุดมสมบูรณ์กว่าที่วัดมากเสียด้วย <Yeah. S 1> เมื่ออาตมาไปถึงจุดตรวจของสุลกาก ร, กรเขาตรวจอาตมาอย่างละเอียด อาตมาไม่มียาเสพติดพระเราไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เสียด้วยซ้ำเขาไม่ถึงกับให้อาตมาถอดเสื้อผ้าเพื่อจะตรวจหรอกอาตมาคิดว่านั่นคงเป็นเพราะอาตมาไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวแต่อย่างใดเขาเพียงแต่ถามอาตมาว่าอาตมาคิดว่าทำไมเจ้าหมาดมกลิ่นตัวนั้นจึงจําเพาะเจาะจงหยุดที่อาตมาอาตมาบอกว่า พวกพระเรามีความเมตตาสูงต่อสัตว์ทั้งหลายและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เจ้าหมาน้อยสุดดมหรือเจ้าหมานั่นอาจจะเคยเป็นพระในอดีตชาติของมันก็ได้และเขาก็ปล่อยตัวอาตมมาไปครั้งหนึ่ง อาตมาวุฒิจะโดนชาวออสเตรเลียร่างใหญ่ซึ่งกำลังโกรธและใกล้จะเมาต่อยการปราศจากความกลัวช่วยให้อาตมารอดตัวไปได้ในวันนั้นและช่วยปกป้องจมูกของอาตมาไว้ด้วยเราเพิ่งไปเปิดศูนย์ใหม่ที่ในเมืองค่อนไปทางตอนเหนือของเพิร์ และกำลังจะมีพิธีฉลองศูนย์ใหม่เราทั้งประหลาดใจและยินดีที่ท่านผู้ว่าการประจำออสเตรเลียตะวันตกท่านเซอร์กอดอนรีดและภรรยาตอบรับเชิญจะมาร่วมงานอาตามาได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกระโจมที่ลานหน้าศูนย์และเตรียมเก้าอี้สำหรับแขกทั้งหมดรวมทั้ง VIP ด้วยเฮรัญยิกสมาคมพุทธ ขอให้อาตมาจัดให้ดีที่สุดเราอยากให้ภาพออกมาดีมากๆหลังจากใช้เวลาค้นหาสักเล็กน้อยอาตมาก็ได้ชื่อบริษัทให้เช่าที่แพงมากซึ่งตั้งอยู่ในย่านเศรษฐีที่ชานเมืองด้านตะวันตกของเพิด มีกระโจมสำหรับจัดงานในสวนของบรรดามหาเศรษฐีให้เช่าอาตมาอธิบายกับเขาว่าอาตมาต้องการเช่าอะไรบ้างและเหตุผลที่จะต้องใช้ของที่ดีที่สุดผู้หญิงคนที่อาตมาพูดด้วยบอกว่าเธอเข้าใจอาตมาจึงตกลงสั่งจองของที่ต้องการเมื่อกระโจมและเก้าอี้มาถึงในตอนบ่ายวันศุก ซึ่งช้ากว่าเวลานัดหมายอาตมากําลังช่วยงานอยู่ที่หลังสูนรถบรรทุกและคนส่งของได้หายตัวไปแล้วเมื่ออัตมาออกมาตรวจของอาตมาไม่อยากจะเชื่อเลยเมื่อเห็นสภาพของกระจกที่เขาส่งมามันเละเทอะไปด้วยฝุนย่นสีแดงอัตมารู้สึกผิดหวังแต่ปัญหานี้แก้ได้พวกเราเริ่มฉีดน้ําล้างกระจก และอาตมาก็ตรวจดูเก้าอี้สำหรับแขกมันส ก, กปรกพอๆกันบรรดาอาสาสมัครชั้นยอดของอาตมาขนผ้าเกี่ยวริ้วออกมาแล้วเริ่มลงมือทำความสะอาดเก้าอี้ทุกๆตัวท้ายที่สุดอาตมาก็เห็นเก้าอี้พิเศษสำหรับแขกว i ไพมันช่างพิเศษจริงๆไม่มีตัวไหนที่ขาเก้าอี้ยาวเท่ากันเลยทุกๆตัวล้วนแต่โยกแยกมาก มันเหลือเชื่อจริงๆและมันก็มากเกินไปแล้วอัตมารีเข้าหาโทรศัพท์ทันทีโทรหาบริษัทให้เช่าและทันได้ตัวผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เธอจะออกจากที่ทำงานเพื่อหยุดสุดสัปดาห์อัตมาอธิบายสถานการณ์ให้เธอฟังย้าด้วยว่าเราไม่สามารถให้ท่านผู้ว่าการรัฐนั่งโยกอยู่บนเก้าอี้ขาไม่เท่ากันแบบนั้นในระหว่างพิธีรักนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าท่านตกเก้าอี้ผู้หญิงคนนั้นเข้าใจขอโทษและรับรองกับอาตมาว่าเธอจะจัดการเปลี่ยนเก้าอี้ให้ภายในหนึ่งชั่วโมงคราวนี้อาตมาตั้งใจรอรถส่งของเลยทีเดียวอาตมาเห็นมันเลี้ยวเข้ามาบนถนนของเราสักราวครึ่งทาง ประมาณ6กสิบเมตรจากศูนย์ขณะที่รถบรรทุกกำลังวิ่งอยู่ค่อนข้างเร็วชายคนหนึ่งกระโดดลงมาและ ว, วิ่งแนวมาหาอาตมาด้วยแววตาทมึงถึงและกาปั้นที่กำไว้แน่นเขาตะโกนว่าหัวหน้าอยู่ไหนอัวต้องการพบเจ้าหมอนั้นอาตมาได้ทราบภายหลังว่าของที่ส่งมาให้เราชุดแรกนั้นเป็นชุดสุดท้ายที่เขาส่งในวันนั้น หลังจากส่งของให้เราแล้วคนงานพวกนี้ก็แต่งเนื้อแต่งตัวใหม่แล้วออกไปโรงเล่าเพื่อฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์เขาคงกำลังเริ่มมีความสุขกับการดื่มฉลองวันหยุดเมื่อผู้จัดการเข้ามาตามถึงในโรงเล่าแล้วออกคำสั่งให้กลับไปทำงานต่อพวกชาวพุทธต้องการให้เปลี่ยนเก้าอี้ อาตามาเดินเข้าไปใกล้ชายผู้นั้นและพูดอย่างอ่อนโยนว่าอาตามาเป็นหัวหน้าเองแหละอาตามาจะช่วยอะไรได้บ้างเขาจงวงกหน้าเข้ามาใกล้อาตามามากขึ้นจนเกือบจะโดนจมูกอาตามาทีเดียวมือขวาของเขาอย่างกำแน่นสายตาราวกับจะแผดเผาอาตามาด้วยความโกรธอาตามาได้กลิ่นเบียรอย่างแรงจากปากของเขาซึ่งอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่นิ้ว อาตมาไม่รู้สึกกลัวหรือหญิงยะโสอาตมารู้สึกผ่อนคลายสบายๆผู้ที่เรียกตนว่าเป็นเพื่อนของอาตมาทั้งหลายหยุดทำความสะอาดเก้าอี้เพื่อดูเหตุการณ์แต่ไม่ยักมีใครเข้ามาช่วยอาตมาเลยขอบคุณมากครับสหายการเผชิญหน้ากันดำเนินอยู่สักนาที อาตมา ก, กำลังงวนว่าเกิดอะไรขึ้นนี้คนงานพุกขึ้นโกรธยืนจังงังกับปฏิกิริยาของอาตมาสภาวะของเขานั้นคุ้นเคยเฉพาะการเห็นความกลัวหรือการโต้ตอบอย่างก้าวราวหัวสมองของเขาไม่รู้จักวิธีการตอบสนองผู้ที่ยังรู้สึกผ่อนคลายอยู่ได้ขณะที่กำปั้นของเขาแทบจะเสยเข้าไปในรูจมูกของคนคนนั้นอยู่แล้ว อาตมารู้ว่าเขาไม่อาจจะต่อยอาตมาได้หรือยกกำปั้นห่างออกไปได้การปราศจากความกลัวนั้นทำเอาเขางงไปเลยในช่วงเวลาไม่กี่นาทีนั้นรถบรรทุกได้เข้ามาจอดและนายของเขาก็เดินเข้ามาหาเรา เขายกมือขึ้นจับบ่าคคนงานที่ยังคงยืนแข็งอยู่และพูดว่ามาเธอมาช่วยกันขนเก้าอี้ลงหน่อยนั่นเป็นการเปิดทางตันช่วยเขามีทางออกอาตมาบอกว่าอาตมาจะช่วยคนด้วยแล้วเราก็ขนเก้าอี้ลงร่วมกัน